ช่วงนี้เราก็ยังอยู่ในเทศกาลกระถินนะผ่านมาแล้วอสองอาทิตย์น ะ, ะยังเหลืออีกสองอาทิตย์ <c oughs> กระถินนะกับเข้าวพรนสานี่มันเหมือนกับเป็นฝาแฝกกันนะหรือเป็นพี่น้องกันคืออยู่ติดกันนะมีข้าวพรนสาก็ต้องมีการทอดกรถิ่นนะแต่ว่าเป็น ฝาแฝดหรือพี่น้องที่ต่างกันมากนะอย่างกทินเนี่ยนะมันเป็นช่วงเวลาของความรื่นเริงแต่ว่าขอ้อราษานี่เป็นช่วงเวลาของความสงบถ้าขอ้อรรษาจริงๆนะมันจะสงบกทนะินนี่เป็นช่วงเวลาของความสนุกสนานนะแต่ว่าขอ้อรรษาเป็นช่วงเวลาของการศึกษานะการอบรมนะขัดเกลาตนเอง อย่างที่เราก็ใครที่เข้าพรรษาก็ทราบดีนะโดยพระในวัด ท, ที่เขาตั้งใจปฏิบัติตามธรรมเนียมหรือพระวินัย น, นี่นะถึงเวลาเข้าพรรษานี่ก็ต้องอย่างน้อยๆก็รักษาศีลให้ครบบางคนก็เร่งหน่อยนะศีลแปดหนังไม่ดนะูเพลงไม่ฟังนะไม่มีการละเล่นนัต่างจาก กระินนะพอมีกระถินแล้วโอ้มีมหรสศพมีการร้องรำทำเพลงบางแห่งก็มีหนังฉายหรือบางที่หนักนะบางที่นี่ก็กินเหล้ากันเลยนยะแต่บรรยากาศนี่มันต่างจากเข้าพรรษานะไม่มีความสนุกนะแต่ว่ามีความสงบแล้วก็มีการฝึกหัดขัดเกลากระถินเนี่ยนะ มันช่วงเวลาที่สบายถึงขั้นปล่อยตัวปล่อยใจก็ได้นะสบายๆแต่ว่าข่าวันสารนี่มันต้องมีการทำความเพียรมีการอดกลั้นนะนะต่อกิเลสและแตกต่างอย่างนึงนะคือว่าก็าทีนี่เป็นช่วงกลางการเดินทางเลยนะนะหลายคนนี่ ผ่ามาสองอทิตยนี้เดินทางไปหลายที่แล้วหลายจังหวัดแล้วไปร่วม ง, งานกระถิน่นะตามที่นั่นที่นี้เฉพาะวันในเครือข่ายของสุกโตนี่ก็มีทอดกรถินมาหกเจ็ดวันแล้วเดินทางข้ามอำเภอเดินทางข้ามจังหวัดกันเลยแต่ภาษานีนะ้ต้องอยู่กับที่นะอยู่กับที่ไปไหนไม่ได้ เลืงนอก็ไม่ไปค้างคืนถ้าไม่จำเป็นและความแตกต่างออย่างหนึ่งนะกระินเนี่ยนะมันแค่เดือนเดียวแต่ว่าเข้าบรรษาจริงสามเดือนก็นับว่าเป็นฝาแฝดที่แตกต่างกันมากแต่ก็เป็นความตั้งใจนะของอพระสองฆ์องค์เจ้าสมัยก่อนนี่ที่ท่านกำหนดนะประเพณีแบบนี้ขึ้นมา เพราะอย่างที่ทราบนะว่าเนี่ยเข้าพรรษาเป็นช่วงเวลาของการทำความเพียรเพื่อฝึกฝนตนแต่ขณะเดียวกันก็ทำให้เกิดต้องอาศัยความสามัคคีกันด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่านุโมทนาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอทำสำเร็จหรือเสร็จสิ้นนะครบสามเดือนนะก็มีการเฉลิมฉลองนุโมทนากันนะกตินีมันผูกติดอยู่กับการเข้าพรรษาไม่เหมือนกับ พาปานะผาปานี่ไม่ผูกติด ก, กับการเขา้าพรรษาแต่กระถินนี่ผูกติด ก, กันเลยนะเหมือนกับฝาแฝดแต่เป็นฝาแฝดที่มีลักษณะตรงข้ามกันเลยหรือว่าแตกต่างกันมากการที่เขา้าพรรษาเนี่ยเป็นช่วงเวลามีช่วงเวลายาวนานสามเดือนเนี่ยนั่นี้เป็นสิ่งที่มีความหมายนะหากว่าเปลี่ยนตรงข้ามนะกระถินสามเดือนเข้าพรรษาหนึ่งเดือนนี่แย่เลย เพราะว่าค้อมรนษาเนี่ยมันช่วงเวลาของการฝึกตนให้เข้าหาธรรมะเราควรให้เวลาการศึกษาความการอบรมฝึกฝนตนมากกว่าการสนุกสนานรื่นเริงในการสนุกสนานรื่นเริงก็มีประโยชน์นะเหมือนกับเรียนหนังสือแล้วเนี่ยพอปิดเทอมก็ไปเที่ยวกันแต่ว่า ต้องเที่ยวน้อยกว่านะการศึกษาการฝึกฝนตนก็เหมือนกันนะการฝึกฝนในทางธรรมเนี่ยในช่วงคำวรรษาเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญก็ต้องให้น้ำหนักมากกว่าการสนุกสนานรื่นเริงนะและถ้าเราสังเกต น, นะหลายคนเนี่ยก็ถิ่นผ่านไปได้แค่สองวัทิศนี่ เริ่มรู้สึกลาแล้วนะ mm hmm. ในขณะที่เข้าบรรษานี่สามเดือนบางทีไม่ลาเท่ากับไปทอดกระถินนะหลายคนนี่ไปทอดหลายวัดแล้วและมีโปรแกรมนะกำหนดจะไปทอดอีกหลายวัดนะกว่าจะถึงวันลอยกระทงนี่ใจหนึ่งก็เออจะได้ไปเจอความรื่นเริงหรือได้ไปเที่ยวตามที่ต่างๆแต่ว่าพอไปแล้วก็ เหนื่อยล้าอันนี้เรียกว่าเพียบบุญนะใ น, นความสุขสนานเรื่นเลิศเนี่ยมันก็มันก็ดีนะหรือการที่ได้ท่องเที่ยวไปตามวัดต่างๆนี่มันก็เป็นความเป็นเรื่องที่หลายคนรอคอยเพราะมันตื่นตาตื่นใจดีแม้แต่ชาวบ้านที่เป็นเจ้าภาพกระถิ่นนะพอทอดกระถินเสร็จนะก็ได้ไปทอดที่อื่นต่อก็ได้ไปเที่ยวนะ แต่ว่ามันสนุกก็จริงแต่ว่ามันเหนื่อยมันลาให้เหมือการฝึกฝนตนนะทำสมาธิเจริญสติไม่เดินทางไม่เลยไปเจอสิ่งแตกตื่นตื่นตาตื่นใจแต่ว่ากับมีเรี่ยวมีแรงมีกำลังวังชาทั้งทางกายและทางใจแล้วพวกเราเนี่ยนะต้องลองสังเกต ด, ดูนะ แล้วก็อย่าไปเพลินกับการเที่ยวในช่วงกระถิ่นมากนะเพราะว่าอาจจะสนุกอาจจะรื่นเริงนะแต่ว่ามันก็บันทอนร่างกายและทั้งใจโดยเพาะบางทีถ้าไม่ถ้าตามใจกินเละมากนะอย่างหลายคนเนี่ยวัยรุ่นหลายคนชาวบ้านหลายคนกินเหล้าหรือไม่กินเหล้าก็สุขสนานรื่นเรืองกับเพลงกับ มรสบเผอๆไม่ใช่แค่เห น, นื่อยนะเจ็บตัวนะเมื่อวานนี้นั่งรถมามาที่วันนี้ก็ผ่านหมู่บ้านหนึ่งนะเขากำลังมีการเฉลิมฉลองกระทิ้งกันนะมีการร้องรำทำเพลงนะคนนี้ก็เป็นร้อยเลยนะเดินตามรถขบวนแห่อยู่ๆกนะ็ต่อยกันเลยนะมีคนเฮกันต่อยกันฮือฮากันใหญ่เลย กำลังลำวงกันอยู่ดีๆเนี่ยแตกกระเจิงเลยเพราะมีวัยรุ่นต่อยกันดีนะที่ห้ามทันถ้ า, ามไม่ทันนี่บางทีอาจจะถึงขั้นใช้อาวุธใ ช, ใช้ใช้มีดใช้ไม้ตีกันเพราะว่ามันเป็นกลุ่มเป็นพวกเจ็บตัวแล้วก็ตายกันมาหลายรายแล้วนะเพราะว่าไอ้ไอความรื่นเริงสนธนาในกระถิ่เนี่หรือถึงแม้ไม่ถึงขั้นนั้นแล้วแต่มันก็เหนื่อยนะเหนื่อยการ ไปตามวัดต่างๆไปงานกระถินต่างๆมันสนุกแต่ละเหนื่อยนะไม่เหมือนกับสงบแต่ว่ามีความมีกำลังวังชาทั้งกายทั้งใจมีความสดชื่นเบิกบานเพราะว่าได้ฝึกฝนอบรมตนนะก็ยังเหลืออีก2อาทิตย์น ะ, ะหลายคนก็ยังจะไปทอดกระถินตามที่ต่างๆก็ดูแลกายดูแลใจให้ดีนะ อย่าปล่อยกายปล่อยอย่าปล่อยตัวปล่อยใจไปไปตามสิ่งแวดล้อมมากนะสนุกแต่พอดีนะเลื่นเรืองแต่พองามนะและสุดท้ายก็อย่าลืมกลับมานะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวกลับมาฝึกสติเจริญสมาธิภาวนาแม้มันอาจจะไม่สนุกนะแต่มันก็ให้ความสุขเพราะมันนํามาซึ่งความสงบนะแล้วมันเป็นการสงวนพลังงานสําหรับการทําสิ่งที่มีประโยชน์มีคุณค่า